่าที่นั่งตามสบายนั่งก่อนนั่งก่อนค่อยใส่วันนี้เื่องจากเป็นวันสำคัญของบ้านเมืองของบุคคลสำคัญนั่นคือวันเด็บเจ้าอยู่หัว พระก็ยังก้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบวนงไายวันประสูตในวันนี้ครบหกรอบเจ็ดสิบสองพระชนส์นทั่วประเทศทั้งกิจกรรมแสดงพระทรมเทศนาซึ่งเมื่อเช้าเราได้สแสดงไปแล้วนี่เป็นทางการ วันนี้เราจะพูดเรื่องเดิมเลยแต่เป็นภาษาเป็นสำนวนของพวกเราสำชาเป็นสำนวนของวังเขาราชการการเทศในวังเขาเทนางนี้แหละก็ต้องแต่งกระทู้ก่อนอุปมาอุปไม้พูดถึงปัจจุบนันพูดถึงอดีตแล้วเราผลงานประมาณนี้แหละนี่กหาตักหา คือย่อมคคนที่คนย่อมๆขคมคนที่ควนรคม น, นั้นไม่ได้รามาขยายความเป็นภาษาเราอังไงเพื่อห็นมองภาพบ อ, อกเมื่อเช้าเราพูดถึงปัจจุบัประมากคาถาคาถาที่เทียบเส ม, มือนปัญญาประดุจ ความหมายง่ายๆทีนี้พูดคําว่าเพชรต้องเป็นของมีค่าพวกเราก็รู้ว่าเพชรมันไม่ได้อยู่บนอากาศมัได้ลอยอยู่บนอากาศหรือบนพิวนดินหรือสร้างรูปมาเป็นรูปเป็นนักเป็นเหลี่ยมเป็นคมแต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ อย่างไรก็ต่างชาวโลกพ็ถือว่าเป็นของมีค่าขึ้นมีค่าในตัวโดยเปรียบเทียบไปฟังกิดสัมผัอว่าของมีค่าอยู่ที่คนต้องการเหมือนตัวเราเนี่ยถ้าคนอื่นเห็นคุณค่าของเรา คิดว่าเรามีคุณค่าเราก็ต้องการเองเหมือนพระแม่ครูบาอาจารย์ทำไมพระม่ครบอาจารย์จึงเป็นที่ต้องการเป็นคนมีคุณค่าก็าเพราะว่านี่แหละเพชเป็นตัวอย่างที่จะอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบยรย่องให้พวกเราฟัง ปไปขอกใต้ดินลึกกว่าจะขุดได้กว่าจะขุดเจอแล้วก็ขึ้นมาเจออะไรแปลว่าจะต้องขุดลงไปถึงจะเจอเพชรเจอแล้วก็เจออะไรจนกลายเป็นของมีค่าเป็นเครื่องประดับกลายเป็นของมีค่า เป็นอัญเชื่อมันเองที่มีค่าเช่นทองไปถึงทองคําเป็นตนและอัญเชืมันอื่นๆอีกอยู่ในเดียวกันนี้ล้วนแต่อยู่ใต้ดินทั้งนั้นไม่ได้อยู่ผิวดินไม่ได้อยู่บนดินจากเช่นน้ําที่เราเดิมที่เรากินทุกวันโบราณอาจารย์นิยมขุดบอก เรวขุดบ่อก่อศาลาได้กุศลมหาศาลแต่แล้อุมมาทำไมถ้าบอกว่าทำไมเรขุดบ่อก่อศาลาได้กุศลมหาศาลคล้ายกับเพชรน้ำบนโลกแบ น, นี้มันมีน้ำผิวดินคือ่นําธรรมดาหุน่นองกองบึงทะเลมหาสมุทรทั้งหมดนั้น พชื่อว่าน้ำแต่ไม่ได้แปล ว, ว่าดื่มกินหรืออุโปโภคบริโภคได้หมดมันอยู่แต่ประเภทถ้าเลยเยอะกว่าเพื่อนมหาสมุทรเยอะกว่าคุณนแต่ดื่มกินไม่ได้สามในสี่ของโลกที่เป็นน้ำดินก็มีส่วนที่เหลือดื่มได้มัางมาได้มัางป็นนี้ น้ำผิวดินที่เราเห็นอยู่ทุกวั น, นคือน้ำฝนที่มาตกคือมาผิวดินเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้มันก็จะซึมลงไปข้างล่างเราเปียบาดาลคือใต้ดินมันถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจะนิยมขดเจาะน้ําหล่านั้นเพื่อเอามาเดิมกินฉันใด จิตของคนเราก็เช่นกันเหมือนกับเพชรเหมือนกับน้ำเหมือนกับเพชรตรงไหนถ้าใจเราไม่รับการเจราาิญในไม่รับการขุดลงไปถึงจิตถึงใจแล้วก็ไม่ได้เจราาิญในคือภาวนาพิจรารณาโดยอุบายเยียบคายจิตมันก็เป็นจิต ท, ที่หยาบจิต ท, ที่ไม่ได้เจราาิญในมันก็ไม่มีค่า ตัวห่อห้มด้วยกิเลสสารกิเลสทั้งหลายคุณมองไม่เห็นความเป็นเพชรข้างไหนแท้ที่จริงแล้วเพชรมันก็คือเพชรแต่ถูกข้างนอกปิดบังก็คือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายปิดบังเอาไว้ไม่เห็นคุณค่าของจิตของใจกลับมาที่น้ำกว่าจะได้กินน้ำบริสุทธิกินน้ำสะอาดจะก็ต้องขุดลงไปจนเจอน้ำ สะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติจิตของเราก็เช่นเดียวกันน้ำผิวดินคือจิตทั่วไปยังใช้ไม่ได้อันเต็มไปกองสุขภพสมองสามารถจะอุจจาระปัสสาวะนวดลงไปได้ดื่มก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เป็นน้ำสุขภพก็คือจิตของเราปุถุชนทั่วไปนั่นเองไม่สามารถที่จะเป็นของมีค่าไม่สามารถ คือพูดง่าย ไ, ไม่เคยต้องกา ร, รความสงบพระรลยังไม่ได้เยี่ยงไรเพราะจิตไม่เคยฝึกไม่ เ, เคยหัดขัดเกลาตัวเองมาแต่กระท้อสิ่งเหล่านั้นออกมันก็เป็นจิตแค่ผิวดินทําอะไรไม่ได้ลึกลงไปจะเริ่มใช้ได้คือน้ําห้อยน้ําหลองคองบึงเริ่มใช้ได้แต่ถ้าเป็นน้ำบนาร์ดันลึก ใต้จรงลงไปจะเป็นน้มดีน้มสะอาดทั้งโดยสุดควรก่กอุปโภคบริโภคชั้นใดจิตของพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าไม่รับการขุดย่างรากลึกลงไปถึงจิตถึงใจมันก็ได้แค่พื้นๆป็ญอยาที่เราเห็นทั่วไปของคนทั่วไปเต็มไปด้วยความสโครหมมก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะ โลกโกดลงอันนี้คือพื้นเลยพื้นเนดินหน้าเดินมองเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นยังมีขอที่ละเอียดก่อนนี้แต่เรายังกดไปไม่ถึงคือจิตใจของเราเรายัง ก, กดไปไม่ถึงมองไม่เห็นไปไม่ถึงของดีเหล่านั้นะนั้นการปฏิบัติการเราต้องการอย่างจี่ใ จ, ใจของเราลงลากลึกจึดถึงจิตใจของใจดวงจิตของเราทุกคนแล้วก็ ปฏิบัติขัดเกลเหมือนเพชรเจรนก็เป็นที่ต้องการของบุคคลต่อไปเช่นพระม่ครูอาจารย์ของพวกเราทุกรูปทุกนางถึงแม้ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วเราก็ยังน้อมรอืรึกนึกถึงพระคุณอยู่ก็เพราะว่าจิตของท่านเป็นอัญมณีเป็นเพชรเป็นแก้วเราจะเห็นว่าบางองค์บางท่าน กลายเป็นประทานเคื่อเนี้ยมันนี่นั่นเองเกายมโมลสีเหมือนเพชรนินจินดาขนาดของหยาบของละเอียดท่านฟอกธาดขันอันนั้นจนละเอียดก็สามารถที่จะเป็นเครื่องประจักษให้พเราทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าถ้าจิตของเราสะอาดทุกอย่างมันก็สะอาดส่วนเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องปกติ เรื่รรรรองอการทำรดาความสกปรกสมผมเพราะฉะนั้นเวลาบรรพชาอุสุมผลโบราณอาจารย์ก็จะยกเอาสิ่งนี้ขึ้นมาพิจารณาบอกเนะี่ยผมคกนรลยบฟันหนังอันนี้คือกรรมฐานนะคือการงานของใจใจจะต้องเชิญสิ่งเหล่านี้เหมือนพิวดินนั้นของเหล่านี้วันไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้ชำระทำความสะอาดเริ่มตั้งแต่ผมคนแล้บฟันหนังเป็นตน้นอันนี้คือ นอกห้างนอกแต่เป็นพิยับยาบง่ายๆมองเห็นด้วยตาเนื้อตาหดังตาธรรมดานแต่เราก็ยังไม่เข้าใจคือไม่ได้มองเห็นด้วยปัญญามองเห็นด้วยสัญญาคือความจําได้ไม่รู้แต่เราไม่ได้มองเห็นตอนนี้ด้วยปัญญาคือมันไม่ลึกมันไม่ลึกพอเพราะฉะนั้น สิ่งหลานี้จึงเรียกวากรรมฐานเพราะฉะนั้นในปัญญาการนี้ใครจะเป็นอุบาสิกาใจเพศใครจะเป็นพระปิสุสมมาเนนใจเพศที่จะขุดช่วยกันขุดวันละนิดวันละน้อยคืออบสอบว่าลงไปจนเจอเพชรจนเจอน้ำใต้ดินน้ำที่บริสุทธ น้ำที่สะอน้ำที่กูนค่าแก่การดินดินคนนั้นะถือว่ายอดของคนยอดของอุบวสุยอดของอุบาสิกายอดขอ ง, อของพระอิษุษยสามเณรแต่ผู้ใดก็ตามยังอยู่ผิวดินอยู่อย่างนี้ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเหมือนน้ําผิวดินไม่ใช่น้ําใต้ดินมันก็จะเป็นอย่างนี้ เ, ออเราก็ยอ่อมต้องรับสภาพว่าถ้าเป็นอย่างนี้สภาวะหรือสภาพ ของกายของวาจาของจิตมันก็จะอยากอย่างนี้นเพราะคือเรื่องปกติเพราะมันจะเต็มไปด้วยของสุขภพโสมงเพราะมันยังไม่ลึกพอจิตมันยังไม่ลึกพอสติปัญญายังไม่ลึกพอก็ย่อมมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอันนี้คือเนื้อหาสาระที่พยายามที่จะสื่อให้พืรู้ว่าเพชรเป็นมีค่า แต่ที่สําคัญทุกอย่างทุกคนเป็นเจ้าของแค่ได้ถ้าพยายามขดทุกวันทุกคนพยายามที่จะ ด, ดื่มน้ําบาดาลนัน้ำใต้ดินได้ถ้าเราขดทุกวันขดทุกวันทุวันจนเจอน้ําจนเจอตาน้ําในเมื่อไหร่เน่ยสบายนะเหมือนกัวอาจารน้าก็พุ่งออกมามันไม่ได้ประโยชน์แค่ตัวเองคนอื่นประโยประโยชน์ด้วยคือลูกศิษย์ต้องหา เพื่อนพ ง, งเกเลียนณมิตรพ็ปล้อยแต่รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ไปด้วยพระนั้นการเกิดขึ้นหรือว่าใจของใครก็ตามคในใด็นหนึ่งอุบาสกวัชิก า, า, าก็ตามพิสูจน์สามัก็ตามถ้าใจนั้นเป็นเพชรแล้วแม้แค่ดวงเดียวอันเดียวหรือไม่กี่อันมันจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายคือเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของมีค่าเบนรัตนาชาติทั้งหลายพระรัตนใจท่านเจนเปรียบเสมือนของมีค่าที่มากที่สุดในโลกเรียกว่ารันาตน์ตจสามอย่างก็คือคอุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงส สามอย่างอันนี้เป็นของมีค่าถ้าใครขุดเจอจนใจเจอสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่ในใจอยู่ในจิตจิตบคุคคลนั้นจะเป็นเพชรจิตของบคุคคลนั้นจะเป็นน้ําใต้บาดาลพร้อมที่จะให้บคุคคลทั่วไปเดินกินชนะล้างทั้งอุปโภคและบริโภคก็จะเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของรเราทั้งหลายมันเพชรอิงยิงนดาบานานมาได้แปลว่าขุดวันเดียวก็เจอบางทีขุดยี่สิบสามสิบสี่สิบเมตรยังไม่เจอเพราะฉะนั้นบางคนปฏิบัติมาง่ายบางสะดวกบางมากปีน้อยปีไม่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รับหรือยังไม่ใกล้เคียงวัตถเหล่านั้นพยายาม อย่าทิ้งความเพียรทำทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรขอให้จิตน้อมถึงพระรัตนตรัยเป็นหลักหลังจากนั้นก็หาเรื่องสิ่งที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้ทุกวันเพื่อให้จิตของเรานั้นสำนึกสำเหนียถึงความดีถึงคนดีถึงสิ่งที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านของจิตใจของเราความดีของจิตของเราก็จะ สถิตยอยู่ในจิตจมกันข้ามถ้าเป็นเรื่องที่จิตมันไม่ดีเป็นประจำเรย้อรงหลายแหลมันก็จะจมกันข้ามนี่ประอการสออาการสุดท้ายก็คือพระพุ่เางเราให้มองทุกอย่างทุกสรรพสิ่งมันเป็นลักษณะเสมอกันทั้งอย่างคือทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นเราได้เรามีเราเป็นแต่ว่ามันไมีอะไรเทือแท้นแน่นอน ทุกเรื่องเริ่มต้นจากรูปร่างกายธาตุสีกันนะความเราที่มีอยู่ก็เช่นเดียวกันลักษณะก็คืออ น, นิจจังต่างก็คือไม่เที่ยงก็เรา ม, มันไม่แน่นอนมันไม่มีแน่นอนคือไม่คงที่พูด ง, ง่ายๆมันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไปชั่วกับชัว่วกันนี้คือลักษณะลักษณะที่สองคือมันไม่สมามารถที่จะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตลอดไปได้เหมือนร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตาย มันชาของหอสุดท้ายพร้อมจะพังแตลายเราจเรียกว่าทุกขตาอกมเป็นทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือเมื่อรู้ว่าลักษณะเขาเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเรายังไปยึดไยจิตว่าเป็นเจ้าของเป็นของเขาเป็นของเราทั้งๆที่สุดท้ายมันก็ละลายหายไปโดยธรรมชาติของเขาดินเป็นดินน้ําเป็นน้ำไปเป็นไปลมเป็นลมแต่จิตมันไม่ได้ตาย จิตมันไปต่อจิตไปหาที่เกาะีปหาที่ยึดเปหาที่อยู่มันจะยึดตัวไหนมันจะอยู่ตัวไหนถ้าจิตไม่มีค่าจิตไม่สะอาดจิตสกรปรกแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนมันกไ็ไหลไปตามนั้นความหนักความเบาของเบาเบามื่อกลอยเปรีบสูงของหนักก็ตกลงบนดินตกตร ง, งข้างล่างอันนี้คือธรรมชาติถ้าเป็นโลกก็บอกแรงโน้อมถ่วงโลกมันเป็นอย่างนี้ จิตของเราก็เช่นเดียกันถ้ามันหนักอยู่ตลอดเวลาหนักเพราะอะไรหนักเพราะอาดีตกฎทับถามว่าอดีตปัจจุบันอน า, าคตเราเราหมายอะนี่หมายมถึงความคิดกาพูดการางๆ ข, ของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถูกกดโดยเฉพาะยิ่งคืออดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วจบไปแล้ว เราก็ยังมากอดมันเอาไว้อยู่คือกอดอดีตเอาไว้อยังนึกถึงมันอยู่ยังรักมันอยู่ยังห่วงหาอะไรมันอยู่อันทั้งนั่มันจบไปแล้วอันนี้คือภาระอันนึ่งอันที่สองก็คืออนาคตเขยังไม่ตกกังวลว่าพรุ่งนี้มาเดนต่อไปอยู่ยังไงเป็นไงที่มันไม่รับประโยชน์อะไรก็ระอย่างมา้มาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือปัจจุบัน เรากลับลืมไปเลยไม่ได้นึกถึงไม่ได้เอาไม่ได้ ย, ยกขึ้นมาพิจารณาทั้งทั้งที่ปัจจุบันนั้นมันเป็นความจริงแท้ส่วนอดีตถึงก็จริงแต่มันจบอนาคตจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ก็คือไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากชีวิตของเราเอาไว้กับอดีตคือเรื่องที่มันล่วงไปแล้ว ก็ประโยชน์กับข อ, ของที่มันจบไปแล้วมันสิ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไปฝากชีวิตเอาไว้กับอดีตได้ประโยชน์ไหมหรือแม้จะไปฝากชีวิตเอาไว้กับอนาคตอ น, นั้นคือความไม่แน่นอนแปลว่าเราไปฝากชีวิตเอาไว้กับความไม่แน่นอนโทษใครไม่ได้นะส่วนที่แน่นอนสั่ก็คือปัจจุบัน นั่นคือสิ่งที่พูะพทธ้าท่านย้ำท ว, วนว่าธรรมะนั้นสาภาวะธรรมนั้นจะต้องเป็นสาภาวะที่เป็นปัจจุบนันปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราเราโลภเราโกรธเราหลงแต่เราไม่มีสติคือไม่ได้รู้คือนึกไม่ได้ว่าอันนี้มันโกรธนะแล้วก็นึกไม่ได้ว่าอกโกรธมาจากไหนนี่คำรอบนะ การโลดมาจะาไหนผลของโลดเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้พิจารณาจนกลายเป็นโมหะสะสมมาเป็นเรื่อยชั่วนาตาตปีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือสัจธรรมคือความจริอนปรอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยะสัจคือความจริงอันประเสริฐ จึงเป็นอรยิยสัจว่าความจริงแท้แน่นอนส่วนความเท็จที่เราไปยึดเอาไว้้นั่นนี่นูน่นคือมันไม่จริงเราก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปฝากชีวิตไ้กับสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภาษาการนี้ฝากพวกเราทุกคนให้อยู่ปัจจุบันเยอะๆถ้าความคิดกับพูดการกระทํานั้นๆ มันเป็นเรื่องของเก่าแก่เรื่องอดีตดึงกลับมาตัดออกถ้าเป็นเรื่องเร า, าคดยังไม่เกิดเลยอย่าไปยุ่งกับมันดึงกับมาที่ัญญอย่างนี้เป็นการต่อสู้กับตัวเองนี่คือการขุดคือการเจรไนจิตใจของเองสุดท้ายที่นักค่อยกระทะออกเมื่ออดีตมากระทบมันจะรู้โอ้เป็นเรื่องเก่าเนี่ยมันจบแล้วเรื่องนี้เราเจอมาแล้วเราคิดมาแล้วมันจบไปแล้ว มันไปตัดออกเนี่ยเรื่องอนาคตเมือกันว่าโอ้ยมันยังไม่มาถึงไม่มีสาระนะขอไม่นอะปัจจุบันเนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการวันนี้เดียนนี่ขณะนี้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรให้อยู่ด้วยความมีสติทุกเมื่อส่วนเรื่องมันมันเก่ามันจบไปแล้วหรือมัยังจะไม่กระยาวมันต้องเป็นตัวกระมวลกับมันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวานพรุ่งนี้มันดีเอง เพราะจริงๆมันก็มีวันเดียวนี่แหละมันไม่ได้มีหลายวันวันนี้พอไปถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นอดีตของพรุ่งวันนี้ก็คืออนาคตของเมื่อวานที่เราอยู่วันมันคืออนาคตของเมื่อวานแต่วันนี้ก็คือทุกวันทุกขณะทุกสภาวะของจิตถ้าเราเอาจิตมาไว้กับ ปัจจุบันจิตของเราก็เจริญก้าว น, นาเพราะอยู่กัความจริงมัลลโยความเทศคุณจะสอนเรื่องสัจจะคือความจริงถ้าใครไ ม, ไม่ไม่รับรู้หรือไม่เอาเสียงนี้ก็เท่ากับคนนั้นปัจิเศษความจริงแล้วเราจะพบความจริงได้อย่างไรเราจะมีความจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเข้าใจสัจจะหรือสภาวะธรรมที่เป็นความจริงได้อย่างไร ในเมือ่อจิตเราไม่น้อมไปทางนั้นมีนจะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตโดยที่ไม่ได้กำหนดเรื่องที่เป็นปัจจุบันการปฏิบัติของเราก็ถืสมเปล่าหนังไปชั่วโมงสองชั่วโงเนื่องตึ่ออะไรก็ไม่รู้ดึงกลับมาในการต่อสู้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าใครชนะตัวเอง เ, องเรื่องเด็กได้บางเรื่องก็ถือว่าชนะดีกว่าไปชนะคนอื่น ที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรชนะคนอื่นไม่ได้สร้างศัตรูชนะตัวเองเนี่ยถือว่าลดภาระการเกิดแก่เจ็บตายให้มันน้อยลงน้อยพบน้อยชาก็ลดลงไปนะั้นเริ่ม้นจากการลดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่อย่างน้อยอยู่ที่ให้รู้ว่าถ้าเราลดไม่ได้ละไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ให้รู้ว่าอันนี้มปนเรื่องของโลกนะ ก็ยังดีนะถ้าไม่รู้เลยมันลำบากทุกวันนี้ความโลกนะบุคคลหรือว่าไม่จาชีพมันออกไปหากินก็อาศัยความโลภนลั่แหละเราพิจารณาดูเราดูข่าวแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีสับสินกันทองอายนะไปกับเสื่อมไปเพราะความโลภเขากเอาความโลกเขเดยนมาล่อเป็นทํามญาความนุชไปแล้ว ก็ก็ออไม่มีสติจึงกลายเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในวันมหาบงคลอันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูบชาอย่างน้อยถึงพุทธุณธรรมคุณสักคนและวันนี้เป็การปฏิบัติบูบบชาเพื่อวัดเดชพระเจ้าอยูว่วพระวชิระกาจันทร์หอรัชกา ร, ร, รที่สิบซึ่งวันวันนี้คล้ายกับวันประสูตรไปงานจันีรไป เวลาที่เรามีอยู่อีกให้พวกเราเจริญคิตะภาวนาเพื่อน้อมเอ็นนึกถึงพระคุณของพระองค์ที่เป็นครูปรการแก่ปฏิชาติหลอดถึงบุรพาปศัตรีราเจ้าที่ร่วมมือมาแล้วที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราท่านทั้งหลายพยายามทันใจทันจิตของเราให้สงบน้อมอุทิศโือเฉพาะเจาะจงความดีที่เราทําดือนนี้ให้แก่พระองค์ตลอดถึงนั บรรพบุรุษของพวกเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเป็นผู้อิปคนถ้าไม่มีบรรพบุรุษมันก็คงไม่มีพวกเราวันนี้ไม่มีพวามแม่ไม่มีตัวตนของเราในวันนี้ติดแม้ท่า น, นจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามแต่เราทําเพื่อบูชาคุณไม่ใช่ประชาร่างกายสังขารเวลาที่มันอยู่อีกประมาณสักสิบนาทีให้เราต้องละเจริญจิตตะภาวนาก่ อ, อนหะลังจากนั้นค่อยแสดงเมตตานึกในใจก่อนที่จะออกการสวดมนต์ เห็นเนื้อมีใจถือองคแพลหรือว่าแพลเม่ตางเคยพูดเฉยเสมอว่าการแผลเม่ตาก็คือเอาของที่เรามีอยู่ให้กับคนอื่นแต่ถ้าจิตเราไม่มีเมตตาเลยเราจะบอกแพลเมตตามากไปไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีเมตตาโมบุริย์จะเอาเมตตาที่ไหนไปให้เขาเพราะนั้นทำจิตของเราให้มีเมตตาก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาอันนี้ให้แปลไปไพศาลกว้างไม่มีที่สุด ไม่ปีประมาณยิงดีเหมือนกับพระภิกษุอาจารย์ของเราทั้งหลายเอาก่อนที่จะนั่งสมาธินไม่กี่ครั้งเสร็จก็นั่งเสร็จก่อนจะออกจากฤทกะอธิษฐานแม้แต่ผู้เจ้าของเราก็เช่นเดกันครูบาอาจารย์ของเราก็เช่นเดียวกันทังปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้อยู่ร่มเย็นเป็นโศขก็ถือว่าเราประโชดีเพราะนั้นก็จะนิ่งไปก็ใช้เสียงประมาณสิบนาทีเพื่อ ก็เลยกะดายกได้เ จ, จริญจติตตภาวนา